หากย้อนการเวลากลับไปเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมานะคะคนเมืองแพร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลเวียงอำเภอเมืองค่ะต่างก็ร่ำลือถึงเรื่องราวเร้นหลอนชวนหวาดสะพรึงของคุ้มโบราณหลังหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งให้รกร้างเดียวดายท่ามกลางดงวัชพืชและก็เถาวัลย์ปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นตัวคุ้มที่ซุกตัวอยู่ภายในนะคะซึ่งสภาพซุดซมจากการถูกทอดทิ้งมาเนิ่นนานของคุ้มโบราณณนะขนานั้น ประกอบกับบรรยากาศโดยรวมที่ทำให้ดูอึมครึมลึกลับรวมถึงปรากฏการประหลาดหลายอย่างที่ผู้คนในคุ้มละแวกใกล้เคียงเคยสัมผัสพบเห็นยิ่งทำให้บริเวณที่ตั้งของคุ้มโบราณหลังนี้กลายเป็นสถานที่ชวนขนหัวลุกจนใครหลายคนไม่อยากจะเฉียดกลายเข้าไปใกล้แม้ในเวลากลางวันจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่ใครต่อใครในย่านนั้นต่างพากันเรียกขานขนานนามคุ้มโบราณหลังนี้ว่าคุ้มผีสิงค่ะ ตลอดหลายสิปีที่ผ่านมามีคนเคยพบเจอเหตุการณ์เหนือคำอธิบายมากมายหลายอย่างณบริเวณที่ตั้งของคุ้มแห่งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหลายท่านต่างก็ยืนยันค่ะว่าหลายครั้งที่มีคนเคยพบเห็นชายจราร่างเล็กในชุดโบราณปรากฏกายอยู่ในอาณาบริเวณคุ้ม บางคนเคยเห็นชายชาราลักษณะเดียวกันยืนเหม่อมองอยู่ริมหน้าต่างของห้องชั้นบนตรงปีกขวาด้านหน้าของคุ้มและชายชาราซึ่งคาดว่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะคะมักจะมาปรากฏตัวให้ผู้คนเห็นในลักษณะเดินวอบแวบไปมาอยู่ภายในบ้านประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ยังคงพักอาศัยในคุ้มหลังนี้ไม่เพียงแต่ชายชาราร่างเล็กที่แต่งกายในชุดชาวเหนือโบราณเท่านั้น หลายคนเคยเห็นหญิงชราปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งเช่นกันบางคนพบเห็นกลุ่มเด็กเล็กที่กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ภายในคุ้มและหลายครั้งที่ผู้คนในละแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงสล้อซ้อซึงดังมาจากคุ้มโบราณบรรเลงแววผ่านสายลมเมื่อยามตะวันชิงครบจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อในสถานที่แห่งนี้คือบ้านร้าง เด็กๆในยุค 40-50 ปีก่อนจึงมักถูกพ่อแม่สั่งห้ามไม่ให้ย่างกระยเข้าไปบริเวณคุ้มโบราณด้วยหวันเกรงว่าจะพบพันกับเหตุการณ์ที่ชวนขวัญผวาที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยจากบุคคลในมิติซ่อนเร้นที่ยังคงวนเวียนอยู่ภายในคุ้มโบราณแห่งนี้ และนี่ก็คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุ้มแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาเนิ่นนานนับจากผู้ครอบครองรายล่าสุดสิ้นอายุไขจากไปเมื่อหลายสิบปีก่อนรวมถึงเสียงร่ำลือถึงอาถรรพ์และคำสาปต่างๆที่เคยเกิดขึ้นทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะมาซื้อคุ้มหลังนี้ แต่สุดท้ายแล้วคุ้มโบราณที่ร่ำลือกันว่าเป็นคุ้มอาถรรพ์ก็ได้มาอยู่ในความดูแลของคุณวีระสตาที่เข้ามาช่วยอนุรักษ์และบูรณะเรือนเก่าหลังนี้ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวและยังคงพยายามที่จะซ่อมแซมโบราณสถานที่ทรงคุณค่าหลังนี้ไว้อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประวัติศาสตร์ได้กลับมามิลมหายใจอีกครั้งหากย้อนกลับไปดูประวัติความเป็นมาของคุ้มโบราณหลังนี้แล้วจะพบนะคะว่าได้มีการบันทึกในหนังสือระลึกเนื่องในงานฉลองวัดสีบุญเรืองอำเภอเมืองแพร่ลงวันที่25มีนาคม2515ได้กล่าวถึงประวัติวัดไว้ตอนหนึ่งว่าไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างวัดนี้และสร้างในสมัยใดยแต่ประมาณว่าสร้างกันมาหลายร้อยปีแล้ว จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุยืนยาวและพอเชื่อถือได้ว่าประมาณ200ปีเศษที่ล่วงมาแล้วผู้บูรณะซ่อมแซมวัดในครั้งกระโ น, น้นคือพยาแสนสีขวาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือและบุตรของท่านชื่อว่าพระยาประเสริฐชนะสงครามราชพักดีได้เป็นผู้อุปถัมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้สืบเรื่อยมาต่อมาเจ้าแม่คำป้อ ซึ่งเป็นบุตรของพระยาประเสริฐได้สมรสกับพระวิชัยราชานามเดิมชื่อขัดติหรือเจ้าหนานขัดติผู้เป็นบุตรของเจ้าแสนสมอใจลูกหลานคนหนึ่งของเจ้าหลวงเทพพวงลิ้นทองเจ้าผู้ครองนครแพร่ระหว่างปีพุทธศักราช 2,361 ถึงปีพุทธศักราช 2,373 เจ้าหนานขัดติเองเป็นต้นตระกูลแสนสิริพันธ์ส่วนน้องชายท่านเจ้าเทพวงศ์เป็นต้นตระกูลผาทองและวงวัน พระวิชายราชาผู้นี้ได้รับบุญบําเหน็จความดีความชอบในการได้นำคนไทยที่เป็นข้าราชบริพารจากส่วนกลางสามคนไปหลบซ่อนตัวอยู่บนเพดานคุ้มวิชัยราชาจนรอดพ้นจากการติดตามไล่สังหารของกลุ่มกบฏเนี้ยวที่ทำเข้าการปล้นยึดเมืองแพร่และสังหารข้าราชการบริพา์และครอบครัวไปกว่าส0คน เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2445ซึ่งขณะนั้นเจ้าหนานขัตติดำรงตำแหน่งเป็นคลังจังหวัดอยู่และต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรียกทัพหลวงขึ้นมาปราบปรามผู้ก่อการครั้งนี้จนราบคาบ และต่อมาวีวรกรรมนี้ได้ทราบไปถึงพระกัรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระวิชัยราชา เล่ากันนะครว่าพระองค์ทรงโปรดและไว้วางพระทัยในตัวของพระวิชัยราชาถึงขนาดเคยเสด็จมาพักครั้งแรมที่คุ้มวิชัยราชาเมื่อครั้งเสด็จผ่านเมืองแพร่อย่างไม่เป็นทางการซึ่งคอเท็จจริงไม่มีใครสามารถยืนยันได้และผู้ที่เล่าเรื่องนี้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วและไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าพ่อเจ้าพระ หรือพระวิชัยราชาสร้างคุมวิชัยราชานี้เมื่อใดแต่เป็นที่แน่นอนว่าได้สร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช2441ซึ่งเป็นปีที่เจ้าวงศสนสิริพันธ์บุตรของท่านเกิดที่บ้านหลังนี้และในปีถัดมาท่านจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุให้วัดศรีบุญเรืองจากประวัติวัดศรีบุญเรืองและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและจากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่แถวคุ้มบริเวณศรีลอ ตลอดจนไล่เรียงศึกษาอายุของพ่อเจ้าพระและลูกหลานของท่านรวมทั้งคำบอกเล่าของอาจารย์โสภาพงพุธได้กล่าวถึงคุณยายที่เสียชีวิตไปกว่า20ปีที่แล้วเมื่อตอนอายุ90ปีเศษเล่าให้ฟังว่า เมื่อเกิดมาและจำความได้ก็เห็นบ้านหลังนี้อยู่แล้วประกอบกับบริเวณที่ตั้งคุ้มวิชัยราชาในปัจจุบันเป็นทำเลที่เหมาะเพราะเป็นเนินสูงและสันนิษฐานว่าคงเป็นคุ้มของพระยาแสนสีขวามาก่อนตั้งแต่ในอดีตและสืบทอดกันมาจนถึงยุคของพระพิชัยราชาและเจ้าแม่คำป้อที่ได้สร้างคุ้มวิชัยราชาเรือนไม้สักทรงมันนีลาหลังงามหลังนี้เพื่อเป็นที่พักพิงอาศัยแทนหลังเก่าที่ชํารุดซึ่สมไปตามการเวลา จากข้อมูลในหนังสือระลึกเนื่องในงานฉลองวัดสีบุญเรืองอำเภอเมืองแพร่ดังที่กล่าวมาแล้วทำให้สันนิษฐานได้นะคะว่าคุ้มโบราณที่ชื่อคุ้มวิชัยราชาคงถูกสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2434ถึง2438 คุ้มโบราณหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีแม้ในอดีตเคยมีผู้คนพยายามซื้อบ้านหลังนี้มากมายหลายรายแต่ต่างก็ต้องประสบกับเหตุอาถรรพ์ทำให้มีอันเป็นไปต่างๆนานากระทั่งกลายเป็นเสียงเล่าลือถึงความเฮี้ยนของคุ้มโบราณบ้านเล็กที่8แห่งนี้ จากปรากฏการณ์เร้นลับที่มีผู้คนเคยพบเห็นวิญญาณของชายชราร่างเล็กซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านยังคงวนเวียนอยู่ในคุ้มโบราณหลังนี้มาตลอดระยะเวลายาวนานรวมถึงอาถรรพ์ที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ที่พยายามเข้ามาเป็นผู้ที่ครอบครองรายใหม่จนเป็นเหตุทําให้ไม่มีใครซื้อได้และทําให้คุ้มหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งรกร้างเรื่อยมาจนผู้คนถึงกับขนานนามเรียกคุ้มหลังนี้ว่าคุ้มผีสิง คุ้มวิชัยราชาได้ถูกทอดทิ้งโดยปราศจากการดูแลและเอาใจใส่มาร่วมกว่า40ปีกระทั่งกลางเดือนเมษายน2534า คุณวีรสตาทหารผ่านศึกในสมรภูมิลาวได้บังเอิญหลงทางผ่านไปพบบ้านหลังนี้เข้าและในทันทีที่ได้พบเห็นก็ราวกับต้องมนสะกดนะคะเกิดความรู้สึกหลากหลายทั้งประทับใจสงสารและเสียดายที่ได้เห็นบ้านหลังนี้อยู่ในสภาพสุดโทรมจึงได้ตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินทั้งพันกว่าตารางวานี้ในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านสีลอ่อที่มอง ดูด้วยความหวาดกลัวที่เป็นเช่นนี้ก็พรอมไม่ว่าใครก็ตามที่คิดจะเข้ามาครอบครองคุ้มโบราณหลังนี้จะต้องพบกับอาถรรพ์หมายเลข8ซึ่งเป็นเลขที่บ้านของคุ้มหลังนี้ ดังเช่นครั้งหนึ่งเคยมีผู้ที่ต้องการซื้อคุ้มหลังนี้รายหนึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนัดวันโอนเรียบร้อยแต่ไม่สามารถเดินทางมาถึงเมืองแพร่เพราะประสบอุบัติเหตุรถคว่มที่จังหวัดพิษณุโลกเงินที่เตรียมมาทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายคุ้มหลังนี้ถูกพ ล, ลเมืองดีที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือสวมวิญญาณพลเมืองร้ายเอาไปจนหมดสิน้นการซื้อขายในครั้งนั้นจึงไม่ประสบคนสาเร็จ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอาจจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญในความคิดของใครบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับจากสิ่งที่มองไม่เห็นต่อเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ที่ชัดเจนขึ้นกับผู้ซื้ออีกรายหนึ่งจนเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องเลิกล้มความต้องการครอบครองคุ้มโบราณหลังนี้และเขตขยดจนไม่กล้าแม้แต่คิดจะกลับมาอย่างสถานที่แห่งนี้อีก ผู้ซื้อรายหนึ่งที่เป็นบุคคลในตระกูลดังนะคะที่เคยรู้จักและทำมาค้าขายกับเจ้าวงศสนสิริพันธ์เจ้าของคุ้มรายสุดท้ายก่อนจะถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นคุ้มร้างอาถรรพ์เมื่อครั้งก่อนบุคคลนี้ค่ะได้ตกลงราคากับทายาทเจ้าวงศสนสิริพันธ์ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยจึงเดินทางจากกรุงเทพสู่เมืองแพร่เพื่อทาธุรกรรมการซื้อขายให้เสร็จสิ้นสมประสงค์ เมื่อมาถึงก็เข้าพักค้างแรมที่โรงแรมนครแพร่โดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องจดจำไปทั้งชีวิตคืนนั้นขณะที่บุคคล น, นี้นะคะเข้านอนและอยู่ในระหว่างภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นก็เกิดความรู้สึกอึอดอัดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ รู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับที่นอนค่ะเหงื่อแตกซึม ท, ทั้งที่อยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำอวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็ไม่อาจจะขยับขยื่อนได้มีเพียงสายตาเท่านั้นที่ยังคงทำงานเป็นปกติขณะที่เขาปรือตากวาดมองไปรอบๆห้องท่ามกลางแสงสลัวภายในห้องพักโรงแรม อยู่ๆภาพของชายร่างใหญ่ไม่สวมเสื้อในมือถือดาบได้มาปรากฏกายให้เห็นอย่างชัดเจนชายนิรนามผู้มาเยือนยำวิการเดินทะลุผ่านผนังห้องตรงเข้ามายัางเตียงนอนหลังใหญ่ในลักษณะาอาฆาตมาดร้ายใบหน้าดุดันจ้องมองผู้ที่กำลังนอนหอบกระเส่าอยู่บนเตียงชนิดตาไม่กระพริบ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะชายร่างใหญ่ผู้ที่มาปรากฏกายให้เห็นได้ก้าวขาขึ้นมายืนอยู่เหนือร่างเศรษฐีนักธุรกิจจากเมืองกรุงผู้ต้องการครอบครองครุมโบราณก่อนจะยกเท้าข้างหนึ่งเหยียบเข้าที่ยอดอกแล้วชี้ดาบในมือลงไปที่ลำคอของอีกฝ่ายพร้อมกับคำรามเสียงกึกก้องพร้อมบอกให้ออกไปซะอย่าได้มายุ่งกับบ้านหลังนี้เด็ดขาด ภาพที่ปรากฏให้เห็นทำให้ผู้ที่ต้องการครอบครองครุ้มโบราณเกิดความรู้สึกพรั่นพรึงเหลือจะกล่าววินาทีนั้นเขาไม่อาจจะกระทำสิ่งใดได้ค่ะนอกจากมองดูผู้มาเยือนอย่างประสง์ร้ายด้วยหัวใจระทึกก่อนภาพของชายผู้มาเยือนจะค่อยๆเลือนลางจางหายไปต่อหน้าต่อตา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนภาวาครั้งนั้นถูกหยิบยกมาเป็นเหตุผลหลักในการล้มเลิกการซื้อขายคุ้มวิชัยราชาและเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีใครกล้าแตะต้องคุ้มโบราณหลังนี้อีกเป็นเวลาหลายสิบปีตราบกระทั่งคุณวีระสตาได้มาพบเห็นคุ้มหลังนี้เข้าโดยบังเอิญเมื่อปีพศ2534ค่ะ คุณเวียระเล่านะคะบอกว่าสำหรับตัวเองนั้นเหมือนดั่งต้องมนต์สะกดนับตั้งแต่แรกเมื่อได้นำรถมาจอดหน้าบ้านหลังนี้ในปลายปี2534เพื่อถามทางจากชาวบ้านในละแวกนั้นแล้วอยู่ๆก็สัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยที่ลอยมากับสายลมจนต้องลงมาจากรถเพื่อตามหาที่มาของกลิ่นหอมนั้น จนกระทั่งได้พบเห็นคุ้มเก่าแก่หลังนี้ซ่อนตัวอยู่ในดงวัชพืชอันรกเรือ้อซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เห็นตัวคุ้มซึ่งอยู่ภายใน ด้วยความที่เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์เป็นทุนเดิมประกอบกับเลงเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมอันงดงามทําให้คุณวีระเกิดความสนใจคุ้มหลังนี้ในทันทีและคิดอยู่ในใจว่าหากตนมีโอกาสได้ดูแลคุ้มหลังนี้ก็จะพยายามบูรณะฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และตั้งใจแต่แรกแล้วว่าจะอนุรักษ์คุ้มโบราณหลังนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของแผ่นดินและ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมของเมืองแพร่อา จ, จเป็นเพราะความตั้งใจจริงเช่นนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ทำให้ต่อมาคุณวีรัสตาสามารถวางเงินซื้อคุ้มหลังนี้ได้ทั้งที่มีเงินไม่มากนักและผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ขณะนั้น<ม>ก็ยินยอมให้วางค่ามัดจำเพียงแค่สิเปอร์เซนเพื่อซื้อบ้านหลังนี้และยังคงอยู่ดูแลคุ้มวิชายราชามาได้จนปัจจุบันค่ะ บ้านหรือคุ้มของพระยาวิชัยหลังนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรือนไม้โบราณที่เป็นสถาปัตยกรรมอลัค่าแล้วยังมีประวัติศาสตร์ที่โลดพ้นตื่นเต้นของเจ้าของบ้านที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สาคัญที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่และประเทศไทยอยู่หลายช่วงค่ะนอกจากวีรกรรมนะคะของพระวิชัยราชาที่ยอมเสี่ยงนําคนไทยจากภาคกลางขึ้นซ่อนไว้บนเพดานบ้านหลังนี้จนรอดพ้นเงื้อมือของพวกก่อการไปได้ อย่างบุดวิด ต, ตามที่กล่าวขานกันไว้ในประวัติศาสตร์วัดศีบุญเรืองนะคะท่านยังเป็นผู้ที่ยืนขนาบเคียงข้างเจ้าพิริยะเทพวงศ์เจ้านครเมืองแพร่เพื่อนําพานออกไปรับเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีที่ยกทัพหลวงมาปราบพวกเงี้ยวและเชื้อเชิญให้เข้าสู่เมืองแพร่วีรกรรมของพ่อเจ้าพระได้ทําให้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหวาดระแวงจากส่วนกลางที่มีต่อเมืองแพร่จนสถนานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะ จากการศึกษาเพิ่มเติมนะคะทราบว่าพระวิชัยราชาหรือพ่อเจ้าพระนะคะและเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีไม่ใช่คนอื่นไกลเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ร่วมกันทำศึกปราบพ่ออยู่ที่หลวงพระบางเป็นเวลานาน ศึกในครั้งนี้นะคะพ่อเจ้าพระได้เป็นแม่ทัพคุมลิพล์ค่ะจากแพร่ไปสมทบกับทัพหลวงที่หัวพันธุ์ทั้ง5ทั้ง6นะคะและก็จากในประวัติศาสตร์ของวัดศีบุญเรืองที่บันทึกไว้ค่ะได้กล่าวถึงพ่อเจ้าพระนะคะและก็แม่เจ้าคําป้อว่าทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีเด่นประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อแผ่นดินมีจิตใจที่มั่นคงในการกุศลและมีวิริยะศรัทธาแรงกล้าที่จะเสริมสร้าง ความเจริญให้แก่พระบวรพุทธศาสนาได้พยายามทุ่มเทสติปัญญาความสามารถและกำลังทุนทรัพย์ด้วยความเมตตาจิต เข้ามาช่วยเหลือบำเพ็ญกรณียกิจให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณกุศลทุกวิถีทางนอกจากนี้ค่ะพ่อหลวงมหาอุดนะคะซึ่งปัจจุบันมีอายุกว่า90ปีท่านเล่านะคะว่าท่านได้รับการบวชเป็นสั ม, มเนนที่คุมวิชัยราชาเพราะทุกปีนะคะพอเจ้าพระจะบวชเนนให้กับเด็กเมืองแพร่จำนวนมาก เล่ากันข่าวว่าในขณะที่พ่อเจ้าพระได้ป่วยหนักจนไม่สามารถลุกเดินได้นั้นท่านยังคงมีความกังวลต่อการก่อสร้างวัตถุของวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จในขณะนั้นได้สั่งให้คนรับใช้หามท่านทั้งเก้า อ, อี้นอนเพื่อไปดูการก่อสร้างที่วัดพร้อมทั้งเร่งรัดให้ช่างดำเนินการก่อสร้างวิหารให้เสร็จภายในเร็ววันแล้วก็หลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะท่านก็ไดถึงอสัญกรรมประมาณปี2465ค่ะ ในครั้งแรกที่คุณวีร์สตาลได้บังเอิญมาพบผ่านบ้านหรือว่าคุ้มโบราณที่ชื่อว่าคุ้มวิชัยราชาสภาพบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ในสภาพซุดโสมสุดขีดบ้านเอียงสุดไปด้านหนึ่งเพราะว่าการตัดตรงตัดคานออกเพื่อย้ายบันไดเข้ามาอยู่ด้านในโดยไม่ได้ศึกษาโครงสร้างของบ้านในยุคหลังตัวบ้านนะคะรอบบริเวณที่มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นเชื่อกันว่าเป็นแหล่งชุมนุมของพวกหอยทากแล้วก็งูชนิดต่างๆที่ใหญ่ที่สุดกลางเมืองแพร่ ผู้คนในเมืองนี้โดยเฉพาะผู้หญิงแล้วก็เด็กก็พากันหลีกหนีไม่กล้าเดินผ่านบ้านนี้แม้จะเป็นตอนกลางวันก็ตามเพราะขนาดน้ำว่าเป็นบ้านผีสิงค่ะซึ่งต่อมาคุณวีระก็ได้ตัดสินใจซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินอาณาบริเวณของคุมวิชัยราชาก็เริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วก็เริ่มทํางานป ร, ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างของบ้านให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อรองรับการบูรณะขั้นต่อไปโดยงานก่อสร้างต่างๆได้เริ่มกันอย่างจริงจังในปีต่อมาเมื่อได้รับเงิน สนับสนุนจากสถาบันการเงินนะคะ จุดประสงค์ของคุณวีระค่ะผู้ที่ซื้อคุ้มวิชัยราชาและก็ที่ดินรายนี้แตกต่างจากผู้ที่จะซื้อรายอื่นที่ผ่านเข้ามาในอดีตเพราะว่ามีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์เรือนโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปีนี้ไว้เป็นหัวใจของโครงการเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิละปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะตัวเรือนหรือคุ้มวิชัยราชาเองค่ะที่มีรูปแบบผสมผสาน ร, ระหว่างเรือนไม้แบบมะนิลาแล้วก็เรือนขนมปังขิง ร่วมกับสถาปัตยกรรมล้านนานะคะ เดือนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นที่นิยมกันในหมู่เจ้าฟ้าเจ้าขุนนางแล้วก็ขหบดีมาตั้งแต่รัชสมัยที่4แล้วนะคะเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่5แล้วก็สิ้นสุดลงเอาปลายรัชสมัย่ารัชกาลที่6ค่ะซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยในยุคล่าเมืองขึ้นแบ่งปันอาณาจักรนะคะของอาณานิคมชาติตะวันตกบางคนจึงเรียกบ้านแบบนี้ว่าโคโรเนียนนะคะหรือว่าบ้านสมัยอาณานิคม เพราะว่าฝรั่งเศสนำมาเผยแพร่แล้วก็สร้างขึ้นในภูมิภาคนี้อย่างแพร่หลาย ประเทศไทยเองช่วงนั้นต้องทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเป็นไทยได้มีการผลักดันให้เหล่าขุนนางและก็ผู้ที่มีอันจะกินทั้งหลายได้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ทันสมัยทัดเทียมอารยะประเทศรวมทั้งพยายามนะคะจัดรูปแบบการปกครองให้ทันสมัยรัดกลุ่มยิ่งขึ้นเพื่อแสดงให้ฝรั่งนักล่าเมืองขึ้นนะคะเห็นว่าเราเนี่ยมีความเป็นความเป็นเมืองเจริญ มีความเป็นสีวิไลยนะคะไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนด้อยพัฒนาที่ต้องเข้ามายึดครองแล้วก็จัดระเบียบกันใหม่ซึ่งเป็นเล่ห์เหลี่ยมที่ฝรั่งนักล่าอาณานิคมมักใช้เป็นข้ออ้างในการขมืบดินแดนยุคนั้นนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในการทําโครงการนี้คุณวีระต้องประสบปัญหามากมายเนื่องจากหุ้นส่วนที่เป็นผู้หาทุนคิดไม่ซื่อนะคะจนต้องถอนตัวไปทําให้ต้องวิ่งวุ่นดิ้นรนหาเงินมาะกอบกู้โครงการแล้วก็ต้องขับรถขึ้นลงกรุงเทพแพร่แพร่กรุงเท พ, รรรเทพประจําเลยนะคะรวมระยะทางแล้วหลายแสนกิโลเมตรเลยละคะ่ะบางครั้งไปกลับในวันเดียวแต่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนทั้งที่ถนนสายเอเชียสมัยก่อนยังไม่ได้พัฒนายังเป็นแบบทางสง สองเลนรถวิ่งสวนกันอยู่นะคะแต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ประสบกับเหตุการณ์วิกฤต์จนเจียนวิดไปไม่น่าจะพ้นแต่เหมือนมีปาฏิหาริมาช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภยัยมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจทุกครั้ง คุณวีระเล่านะคะว่าคืนแรกค่ะที่ย้ายเข้าไปพักอาศัยอยู่ในเรือนหลังเล็กด้านหลังของบริเวณคุ้มวิชัยราชาค่ะพร้อมกับคู่สมรสคือคุณอรพินมีชายหนุ่มบ้านใกล้เคียงได้ตัดสินใจใช้โซ่ผูกคอตายบ้านหลังนี้ห่างออกไปเพียง1 0 2ถึงเมตรเท่านั้น เหตุการณ์ดังกล่าวนะับเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่แสนจะประหลาดแต่ว่าไม่อาจทราบได้นะคะว่าจะเป็นหนึ่งในอาถารหมายเลข8หรือไม่ที่เป็นเช่นนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคุณวีระเริ่มเข้ามาเคลียร์พื้นที่ครั้งแรกนอกจากต้องขจัดวัชพืชทีท่ฝังรากรกเรื้อมานานปีแล้วยังต้องขนขยะอันเกิดจากบ้านใกล้เรือนเคียงที่ได้ทิ้งถมสะสมกองไว้ในอนาบริเวณบ้านาคุมวิจยราชาค่ะ นำออกไปเป็นจำนวนมากมายหลายสิบคันรถดำและในเวลาต่อมาจึงได้สังเกตเห็นนะคะว่าผู้คนในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งมีส่วนในการนำขยะมาทิ้งหลายรายก็มีอาการไม่ค่อยปกติสุกนักนะคะ ต่อมาคุณวีระก็ได้เคลียร์พื้นที่โดยการตัดกิ่งไม้รกเรือครอบคลุมพื้นที่ออกจะตัดเฉพาะต้นไม้เล็กนะคะต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ก็จะเหลือเก็บไว้จนบริเวณดูสดใสขึ้นมาทันทีวันหนึ่งคุณสมคิดค่ะซึ่งมีความสนิทสนมกันได้มาหาแล้วก็กล่าวว่าจะมีผู้มาขอซื้อวิชัยราชาต่อโดยจะให้กาไรหนึ่งล้านบาทแต่ว่าคุณวีระไม่ขายต่อมาจึงรู้นะคะว่าผู้ที่มาขอซื้อต่อผ่านคุณสมคิดนั้น มีนิวาสสถานอยู่ตรงข้ามหรือหน้าคุมวิชัยราชานั่นเองซึ่งขณะเดียวกันในระหว่างการก่อสร้างซ่อมแซมบุรณะคุมวิชัยราชาได้มีคนงานนะคะในจังหวัดแพร่และก็ต่างถิ่นจํานวนมากค่ะวนเวียนอยู่ในโครงการนี้โดยช่วงแรกก็จะมีสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านมาปลูกตูบนอนเฝ้าของอยู่หน้าบ้านริมถนนนะคะและเมื่อทราบถึงกิตติศัพท์ความเฮี้ยนของบ้านหลังนี้จึงแสดงความเคารพเส้นไหว้ตลอดเวลาค่ะ ต่อมาทั้งคู่ได้ขอลากลับบ้านอย่างเร่งด่วนทำให้ทุกคนคาดคิดว่าคงเจอดีเข้าให้แล้วแต่ข่าวที่ได้รับนะคะเวลาต่อมาคือทั้งคู่เจอดีจริงๆเพราะได้พบเหรียญปราบห่อระหว่างขุดหลุมทำการอ่า รากฐานอาคารอเนกประสงค์นะคะซึ่งก็คิดว่าจะมีค่าแล้วก็มีราคาไม่น้อยในขณะที่มีผู้โชคดีก็มีผู้โชคร้ายเหมือนกันคนงานนายหนึ่งค่ะถูกไฟเบอร์จากลูกหมูตัดข้อมือจนเส้นเอ็นขาดต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีต่อมานะคะก็ได้ทราบความกระจ่างว่าคนงานผู้นี้เนี่ยคิดไม่ซื่อได้ขโมยของจากโครงการนี้มาช้านานจนเจออาถรรพ์หมายเลขแนะคะแล้วก็ได้ใช้ลูกหมูตัดเหล็กเส้นจนประสบอุบัติเหตุ ครั้งนั้นก็เพื่อสอยให้มันสั้นสามารถนำใส่ถุงมือแล้วก็ลักลอบซุกซ่อนนำออกไปขายรวมช่างกิโลได้นั่นเองค่ะ ที่ชัดเจนอีกเหตุการณ์หนึ่งคือการล่มสลายของบริษัทปรีชาและสวนณิชหุ้นส่วนโครงการวิชัยราชาที่นอกจากจะพยายามจับเสือมือเปล่าในโครงการนี้แล้วนะคะยังนำเงินกู้จำนวน5ล้านบาทไปอ่าไปฝันใช้ไปผันใช้ในโครงการของตัวเองที่กรุงเทพทำให้คุณวีระต้องรับกรรมแต่เพียงผู้เดียวบาปนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะอธิานหมายเลขแปดเนผลทันตาค่ะเพราะว่าในเวลาต่อมาไม่นานทั้งสองต้องประสบกับวิกฤตชะตากรรมจากที่ อาชีวิตที่เคยร่ำรวยมหาศาลต้องลงมาติดดินลำบากสาหัสแล้วก็ต้องหลบนี้ไม้จับไม้สารต้องล้มละลายและต่อมาปรีชาต้องมีอันเป็นไปจากโลกนี้ก่อนวัยอันควรด้วยอีกรายหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังต้องประสบกับอาถรรหมายเลข8เหมือนกันก็คืออดีตนะักการเมืองท้องถิ่นท่านหนึ่งซึ่งได้กล่าวไว้นะคะว่าจะขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณวีระ ผู้กาลังดําเนินโครงการวิชายราชาประสบความสาเร็จแต่ต่อมาไม่นานคณะการเมืองท้องหินผู้นี้ก็ประสบปฏติเหตุเสียชีวิตนอกจากเหตุเป็นไปนะคะก็มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่คิดจะหวังดีกับคุ้มโบราณหลังนี้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาก็มีผู้คนกล่าวขานกันถึงปรากฏการปรากฏตัวของชายร่างเล็กผมหงอกแต่งกายประจำด้วยชุดขาววนเวียนอยู่ในคุ้มโบราณหลังนี้เสมอมี ผู้เห็น ผู้ชายโบราณตั้งแต่ตระกูลแสนสริริพันธ์ผู้ครองรายสุดท้ายย้ายออกไปจากบ้านนี้ก่อนปี2500ตอนหลังผู้เชา่าแล้วก็ผู้อาศัยแล้วก็ผู้คนผ่านไปมารวมทั้งชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างยังเคยพบเห็นและก็ยืนยันถึงการปรากฏตัวของท่านผู้นี้อยู่เสมอนะคะแม้แต่ตัวของคุณวีระเองก็เคยประสบพบเห็นชายชราในชุดขาวผู้นี้ถึง2ครั้งครั้งสุดท้ายพบเห็นตอนยังไม่มืดดีจึงได้บอกเล่าให้คนรู้ จากใกล้ชิดคนหนึ่งฟังจากนั้นบุคคลท่านนี้จึงมาทำพิธีสวดอุทิศบุญกุศลให้ด้วยตนเองค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของท่านมิได้ทำให้คุณวีระและคุณ อ, อรพินทั้งคู่รู้สึกหวาดหวั่นแต่อย่างไรนะคะตรงกันข้ามค่ะอากับกิริยาของชายชาราในชุดขาวกลับมาแสดงให้เห็นว่ารู้สึกยินดีที่คุณ สัตว์คุณวีระนะคะจะมาทำให้วิชัยราชามีชีวิตชีวาขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีผู้ห่วงใยดูแลด้วยอีกทั้งยังทำให้คุณวีระและก็ภรรยารู้สึกอบอุ่นใจที่คุ้มหลังนี้มีผู้คอยปกป้องคุ้มครองอยู่ถึงแม้ท่านจะไม่ใช่มนุษย์ก็ตามนะคะ